ธรรมบทแปลเรื่องพิกษุห้ารูปภาคที่8เรื่องที่252พระศาสดาเมื่อประทับอยู่นพระเชตวันทรงบรารมพิกษุห้ารูปตรัสรรมเทศนานิว่าการสารวมทางตาเป็นการดีเป็นต้นตอนพิกษุห้ารูป รักษาทวารต่างกันดังได้สะดับมาบรรดาภิกษุห้ารูปนั้นแต่และรูปรักษาเพียงหนึ่งทวาลในจำนวนทวารทั้งหมีจากสุทวาลเป็นต้นต่อมาวันหนึ่งพวกเธอประชุมกันแล้วเถียงกันว่าผมรักษาทวาลที่รักษาได้ยากผมรักษาทวาร ที่รักษาได้ยากดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าพวกเราพากันไปทูลถามพระศ า, ศาสดาก็จะรู้ในเรื่องนี้ดังนี้แล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลถามบ่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์รักษาทวานมีจักสุทวานเป็นต้นอยู่เข้าใจกันว่าทวานที่ตนที่ตน รักษานั้นแลรักษาได้โดยยากในจำนวนข้าพระองค์ทั้งหลายใครรักษาทบานที่รักษาได้โดยยากพระเจ้าข่าตอนพระศาสดาแก้ความเข้าใจผิดพระศาสดาไม่ทรงทำให้ภิกษุแม้รูปเดียวน้อยใจจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทบ า, านเหล่านั้นแม้ทั้งหมด รักษาได้โดยยากทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งแหลพวกเธอไม่สำรวมแล้วในทวานทั้งห้าในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการกร่อนพวกเธอก็ไม่สํารวมเหมือนกันและเพราะไม่สํารวมพวกเธอไม่ทําตามโอวาทของบัณฑิตจึงต้องสิ้นชีวิตและเมื่อภิกษุเหล่านั้น พูนวิงวอนว่าในการไหนพระชค่าประศาสดาจึงทรงแสดงเรื่องตากะศีละชาดกให้พิสดารแล้วตรัสประกาศนิวาเราไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งราศกทั้งหลายเลยเพราะความเพียรอันมั่นคงในคำแนะนำของท่านผู้ฉลาดและเพราะความเป็นผู้ไม่วาดวัน ต่อภัยและความสยดสยองความสวัสดีจากภัยใหญ่นั้นจึงได้มีกัเราอย่างนี้นี่เป็นคำเพลงออกมาด้วยอำนาจอุทานของพระมหาสัตว์ผู้ได้รับอภิเษกในเมื่อราชตระกูลถึงความสิ้นไปเพราะอำนาจแห่งราศกประทับนั่งเหนือราชอาณจภายใต้สเสวตรชัด ทอยพระเนธดูสิริสมบัติของพระองค์แล้วจึงตรัสว่าอันความเพียร น, นี้สัตว์ทั้งหลายควรทำโดยแท้แล้วประชุมชาดกว่าแม้ครั้งนั้นพวกเธอก็คือคนทั้งหลายห้าคนถืออาวุธอารักขาพระมาหาสัตว์ผู้เดินทางไปเพื่อรับเอาราชสมบัติในเมืองตากศิลา ขณะเดินทางไม่สำรวมในอารมณ์มีรูปเป็นต้นที่รากศกทั้งหลายนำมาล่อโดยผ่านทางทวารมีจากสุทวารเป็นต้นในระหว่างทางไม่ทำตามคำตักเตือนของบัณฑิตถูกลอกสำเร็จจึงถูกราศกทั้งหลายกินถึงความสิ้นชีวิตส่วนพระราชาผู้ทรงสำรวม ในอารมณ์เหล่านั้นถึงนางยักษ์แปลงเพศเป็นเทพธิดาตามไปติดติดก็ไม่สนใจเสด็จถึงเมืองตากศิลาโดยสวัสดิภาพแล้วได้เสวยราชสมบัติคือเรานั่นเองแล้วจึงได้ตรัสว่าธรรมดาพิกสุควรสำรวมทว า, านแม่ทั้งหมดเพราะว่าเมื่อสำรวมทว า, านเหล่านั้นแล้วแล ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้เมื่อจะทรงแสดงธรรมที่ได้ตรัสพระคาถานี้ว่าความสารวมทางตาเป็นการดีความสารวมทางหูเป็นการดีความสารวมทางจมูกเป็นการดีความสารวมทางลิ้นเป็นการดีความสารวมทางกายเป็นการดี ความสํารวมทางวาจาเป็นการดีความสํารวมทางใจเป็นการดีความสํารวมในทวารทั้งหลายเป็นการดีภิกษุผู้สํารวมในทวารทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้บาลีว่าจักคุนาสังวโรสาธุสาธุโสตนะสังวโรคาเนนะ สังวโรสาทุสาทุชิวหายะสังวโรกาเยนะสังวโรสาทุสาธุวาจายะสังวโรมนัสสังวโรสาทุสาธุสัพพัทธสังวรโสรัพพัถธสังวโรภิกุสัพพทุกขาปมุจจติก็ในบรรดาคำทั้งหลายเหล่านั้น คำว่าจักกุณาประว่าทางตาเป็นต้นในพระคาถานั้นมีความหมายดังต่อไปนี้ก็ในคราวใดรูปารมณ์มาสู่คลองจักสุธวานของภิกษุในคราวนั้นเมื่อภิกษุไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่ยินร้ายในอารมณ์ ที่ไม่น่าปรารถนาไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นในเพราะความเพ่งเล็งอันไม่สม่ำเสมอความสมรวมคือความกั้นได้แก่ความปิดคือความคุ้มครองชื่อว่าอันภิกษุทำแล้วในตบานนั้นความสมรวมทางจักษุนั้นเห็นป่านนั้นของภิกษุนั้นเป็นการดี ในทวารอื่นมีโสตะทะวารเป็นต้นก็มีนาัยานี้เหมือนกันก็ความสารวมหรือความไม่สารวมย่อมไม่เกิดในทวารทั้งหลายมีจากสุทวารเป็นต้นเลยแต่ความสารวมหรือความไม่สารวมนี้ย่อมได้ในวิถีแห่งชาวนะจิตข้างหน้าเพราะในคราวนั้น ความไม่สารวมเมื่อเกิดขึ้นย่อมได้อกุศลธรรมห้าอย่างนี้คือความไม่เชื่อความไม่อดทนความเกียดคร้านความหลงลืมสติความไม่รู้ ใ, calories, ใ, ในอกุศลวิถีความสารวมเมื่อเกิดขึ้นย่อมได้กุศลธรรมห้าอย่างนี้คือความเชื่อความอดทน ความเพียรความระลึกได้ความรู้ในกุศลวิถีก็ในคาว่ากายเยนะสังวโรแปลว่าความสมรวมทางกายใช้กับภาษาทกายก็ได้โจปนากายคือความเคลื่อนไหวทางกายก็ได้ก็ภาษาทกายและโจปนากายทั้งสองนี้ ก็เป็นกายทบารเหมือนกันในกายทั้งสองนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความสำรวมเพราะความไม่สํารวมไว้ในปสาสสะทัทวารอย่างเดียวตรัสปาณาติปาตอทินนาทานและมิจฉาจาร์ซึ่งมีปัสสะทัทวานนั้นเป็นเหตุไว้ในโจปนัทวันด้วย สวรร น, นั้นชื่อว่าอันพิกสุไม่สมรวมแล้วเพราะอากุศลธรรมเหล่านั้นที่เกิดขึ้นอยู่ในอกุศลวิถีพร้อมด้วยปัสสาธาตวานและโจปนัตวานเหล่านั้นสวรรค์ น, นั้นชื่อว่าเป็นอันภิกสุสมรวมแล้วเพราะวิรัตต์ทั้งหลายมีเจตนาเป็นเครื่องเวน้นจากปานาติบา เป็นต้นที่เกิดขึ้นอยู่ในกุศลวิถีโจปนะวาจาตรัดไว้ในคาว่าสาธุวาจายะแปลว่าความสารวมทางวาจาในคำนี้เทวา น, นั้นชื่อว่าอันภิกษุไม่สารวมแล้วเพราะวาจีทุจริตทั้งหลายมีมุสาว่าเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับโจปนะเทวา น, นั้น ชื่อว่าอันภิสษุสมรวมแล้วเพราะวิรัติตั้งหลายมีเจตนาเป็นเครื่องเวน้นจากมุสาวาเป็นต้นมโนทุจริตตั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นพร้อมกับใจอย่างอื่นจากใจที่เล่นไปย่อมไม่มีในคำว่ามณะสาสังวโรแปลว่าความสมรวมทางใจนี้แต่เทวานั้น ชื่อว่าอันภิกษุไม่สมรวมแล้วเพราะมโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชาคือความเพ่งเล็งเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นในขณะแห่งชวนาจิตในมนโนทวารชื่อว่าอันภิกษุสมรวมแล้วเพราะมโนสุจริตทั้งหลายมีอนาภิชาคือความไม่เพ่งเล็งเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นในขณะแห่งชวนจิต ในมโนทวารก็คำว่าสาธุสัพพัทะแปลว่าในทวารทั้งปวงเป็นการดีหมายความว่าความสารวมในทวารทั้งปวงมีจากกุทวารเป็นต้นเหล่านั้นเป็นการดีโดยพระพุทธพจน์เพียงเท่านี้เรานนั้นทรงแสดงทวารที่พิสุสารวมแปดอย่าง และตะวานที่ภิกษุไม่สารวมแปดอย่างไว้แล้วภิกษุผู้ตั้งอยู่ในตะวานที่ไม่สารวมแปดอย่างนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ซึ่งมีวัตฏะเป็นมูลทั้งสิน้นส่วนภิกษุผู้ตั้งอยู่ในตะวานที่สารวมย่อมพ้นจากทุกข์ซึ่งมีวัตฏะเป็นมูลแม้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระบาเจ้า จึงตรัสว่าสัพพัทธะสังวุโตภิกขุสัพพะทุกขาปมุจจติแปลว่าภิกษุผู้สมรวมแล้วในตะวันทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ในเวลาจบเทศนาภิกษุห้ารูปนำรงอยู่ในโซดาปฏิผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชน กูอยู่ในที่นั้นด้วยแหละเรื่องภิกษุห้ารูป